ยาีเรื่องคนช่างติมีเรื่องเล่าว่ามีชายคนหนึ่ง ชาวบ้านต่างพากันเรียกเขาว่านายช่างการเป็นช่างของนายคนนี้มิใช่ช่างไม้ช่างปูนหรือว่าช่างเครื่องยนต์แต่เป็นช่างติคือเขาเป็นคนมีพรสวรรค์ในการติเรียกว่าเป็นเอตะทักคะในทางติทีเดียวเขาเห็นอะไรก็สามารถติได้ทั้งนั้นเหมือนกับที่โบราณกล่าวไว้ว่า กลึงพึ่งช่างชักช่างสละพึ่งช่างเขียนช่างรู้พึ่งช่างเรียนช่างติเตียนไม่ต้องพึ่งใครต่อมาชาวบ้านพากันคิดว่าน่าจะจัดให้มีการประลองความสามารถในการติของนายคนนี้ลองดูซิว่าเขาจะติได้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือเปล่า มีผู้เสนอให้เชิญช่างปั้นพระที่ชาวบ้านนิยมยกย่องว่าฝีมือยอดเยี่ยมมาปั้นพระแล้วให้นายช่างติมาติลองดูซิว่าเขาจะหาที่ติได้หรือเปล่าเมื่อตกลงกันอย่างนี้แล้วชาวบ้านก็ได้ไปเชิญช่างปั้นพระมาและบอกวัตถุประสงค์ให้ทราบช่างปั้นพระออกแบบพระ และปั้นพระอย่างประนีตบรรจงเรียกว่าปั้นอย่างสุดความสามารถเลยทีเดียวเมื่อการปั้นพระเสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านต่างก็ชมเป็นเสียงเดียวกันว่าพระองค์นี้สวยหาที่ติไม่ได้แล้วให้ไปเชิญนายช่างติมติพระเมื่อนายช่างติมาเห็นพระถึงกับตะลึง เพราะพระพุทธรูปองค์นี้สวยจริงๆเขาพิจารณาพระพุทธรูปอย่างละเอียดแต่ก็หาที่ติไม่พบเขาเกือบจะยอมแพ้สุดท้ายนายช่างติก็เอ่ยขึ้นมาว่าพระพุทธรูปองค์นี้สวยงามจริงๆพุทธลักษณะถูกต้องทุกประการแต่แต่อะไร เสียงชาวบ้านถามออกมาพร้อมๆกันมีที่เสียอยู่นิดนึงนายช่างติพูดเบาๆเสียตรงไหนชาวบ้านถามพระพุทธรูปองค์นี้สวยงามทุกอย่างเสียอย่างเดียวคือพูดไม่ได้นายช่างติตอบหน้าตาเฉยชาวบ้านได้ยินดังนั้นก็พากันนิ่งเงียบหมดไม่คิดว่า จะแพ้ช่างติแบกง่ายๆอย่างนี้ต่างก็นึกชมว่านายคนนี้เก่งจริงๆสามารถหาที่ติพระพุทธรูปองค์นี้จนได้อยู่มาวันหนึ่งนายช่างติไปนอนเล่นอยู่ใต้ต้นมะม่วงเขามองขึ้นไปบนต้นมะม่วงเห็นลูกมะม่วงเต็มต้นไปหมดพลางแกก็นึกตำหนิพระเจ้า ผู้สร้างต้นมะม่วงขึ้นมาว่าแม่พระเจ้าหนี่ช่างโง่เสียจริงๆสร้างอะไรขึ้นมาไม่เห็นจะสมดุลกันเลยดูสิมะม่วงต้นออกใหญ่โตกลับสร้างให้มีลูกเล็กนิดเดียวส่วนแตงโมต้นเล็กนิดเดียวกลับสร้างให้ลูกใหญ่ย่างกับบาดพระพระเจ้าหนี่ช่างโง่เสียจริงๆนี่ถ้เราเป็นพระเจ้านะ สางให้ต้นมะม่วงมีลูกโตโตส่วนแตงโมจะให้มีผลเล็กๆจะได้สมดุลกันในขณะที่กำลังวาดวิมานอยากจะเป็นพระเจ้าอยู่เพลินๆนั้นลมหน้าร้อนก็พัดมาวูบหนึ่งทันใดนั้นมะม่วงลูกหนึ่งก็หล่นลงบนหน้าผากของนายช่างติพอดีนายช่างติถึงกับตาลาย มองเห็นดาวระยิบระยับนาากบวมปูดออกมาขนาดผลมะนาวเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นายช่างติก็คิดได้ว่าโอ้ยพระเจ้าสร้างถูกแล้วนี่ถ้าพระเจ้าฉลาดอย่างที่เราคิดสร้างให้มะม่วงลูกใหญ่ท่ า, าทพระป่านนี้หัวเราคงไม่แหลกไปแล้วหรือนี่ดีนะ ที่พระเจ้าไม่ฉลาดอย่างที่เราคิดเรื่องนี้สอนว่าผู้ที่เก่งแต่คอยจับผิดผู้อื่นโดยไม่ดูตัวเองนั้นวันหนึ่งเขาจะต้องประสบสิ่งที่ทำให้เขาต้องเสียใจอย่างที่สุด